ตอนตามเหตุตามปัจจัยวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดกาบนมัส ก, การพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายสบายเนาะทุกคืนวันอาทิตย์นะก็พระกูใช้เวลาพูจาป่าใสนะก็อีก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 ประมาณ4ี่ห้าแสนคนแต่เขาบอกคนภาคใต้สมสี่จังหวัดนั้นกลับได้เปรียบเพราะเขาพูดภาษามาลายูและอาเซียนเนี่ยคนที่พูดภาษามล า, ายูเนี่ยเกือบส0 0รอยล้านคนนะเกินครึ่งนะแล้วเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยทำอะไรอยู่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 เรากําลังแสวงหาความสุขแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราเข้าใจว่าเด่นเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วเนี่ยนั่นแหละซื้ออะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้จะมีความสุขพ่ะครูหลอกไป40่สิบทุกหลอกไปสี่สปีก็บุญเก่านั่นแหละนะตอนอยู่เมืองไทยพระครูอายุ22ปี พวกครูมีเงินหลายร้อยล้านซื้ออะไรของหน้าก็ซื้อได้บังเอิญว่าตอนนั้นน่ะบุญเก่าทำให้พวกครูมีโอกาสอยากทำอะไรก็ทำเที่ยวบาร์วันหนึ่งสองแสนกว่าบาทใครเชื่อไหมแตกเงินสบ้าบนซื้อรถทุกยี่หอ้อ มันเปิดโอกาสให้พ่อครูธรรมะจัดสรรให้พ่อครูได้มีโอกาสทําทุกอย่างและไปอยู่อเมริกาก็ได้ทุกอย่างอีกแต่พ่อครูหาความสุขไม่เจอคือนั้นสามชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตพ่อครูจะไม่พูดว่ารายละเอียดมันเป็นครั้งแรกที่นั่งสมาธิแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายก็เปลี่ยนชีวิต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 เราจะเห็นคนเดียวเราจะพลาดโอกาสในการเห็นทั้งหมดพราะครูก็พาแม่ขี่เขาปฏิบัติเขาก็เวียงวันที่สองเขาอาเจนอาเจนอาเจียนตอนนั้นพกก่อครูก็ไม่รู้ก็ลักษณะคนแพ้ทองก็ไปหาหมอก็ตั้งท้องเดือนหนึ่งจริงๆน้องดอนท่านน้องดอนมาใช้เดือนหนึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วนั่นแหละพกก่อครูถึงรอหนึ่งปีน้องดอนคลอดเสร็จปึ๊บ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 ปัจจุบันนี้เห็ดเกือบจะศูนย์พันหมดตอนนี้ในหมู่บ้านนี้มีสองจุดที่ยังมีเห็ดให้เก็บคือในศูนย์กับในไล่แหลมทองพราะกูรักษาไว้ให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านแล้วก็เป็นอาหารทิพซึ่งไม่มีสารเคมีแล้วไม่มีต้นทุนไม่มีกําไรไม่มีขาดทุนไม่มีราคามันมีแต่คุณค่าสําหรับชีวิต ตอนนั้นชุมชนยังบริสุทธิ์นะก็พี่เทวาอยู่หรือเปล่าวะวันนี้หายตัวนะพี่เทวามาอยู่กับพ่อครูตอนสิบสองปีที่แล้วมาอยู่ที่นี่นะเป็นปีๆนะไปอยู่ที่กุดเขียวไมจีข้างล่างเขบอกพ่อครูว่าเออที่นี่เหมือนสู่เหมือนสวนสัตว์เดี๋ยวตุกแก่มันก็ร้องก็ก็ ก, ก, ก, ก, ก็ก็แล้วอนั้นอั งูเลื้อยไปเลื้อยมาพระกูถามว่าพี่เทวาเขาชื่อทราวิสเด็กมันนอกเรียกยากมากพระกูเลยตั้งชื่อเทวาเป็นเทวดาพราะคนไทยนี่เห่อฝรั่งมากพระกูก็ประเมินปัญญาของเทวาว่าเขาจะมีปัญญาแค่ไหนพระกูบอกพี่เทวา ถ้าวันไหนพี่เทวาไปจับปลาตัวหนึ่งในเขื่อนใหญ่แค่นี้นะี่ยพี่เทวาจะเก็บไว้กินยังไงให้มันนานที่สุดแ่นั่งคิดกรกระดีดนิ้วบอกว่าวิธีง่ายที่สุดคือแล่เป็นชิ้นเป็นเนื้อเื้ อ, เ, อเป็นเป็นก้อนๆแล้วเอาพลาสติกแรปมาแล้วก็ไปแช่แข็งไว้หรือถ้ามีโรงงานทำปลากระป๋องก็ไปทำปลากระป๋องแกบอกกินนานที่สุดพวกคบอกแค่นั้นเหรอแกบอกแค่นั้น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 หนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้า น, นพอครูเห็นแล้วแก้งไม่เห็นนะไหมเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วสว่าเราหยุดแล้วเราเดินไปเห็นเด็กดื้สตีคนหนึ่งตกน้ำนี่ฉันหยุดแล้วฉันไม่ยุ่งใครได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไม่สำรวมฉันจะเปียกฉันไม่สวยฉันเดินไปอย่างผู้ดีเนะี่ย เราฆ่าสัตว์แล้วบันทึกอยู่แล้วว่าเราไม่ช่วยชีวิตพวกครูก็เลยต้องมาทำกิจกรรมไอ้ศูนย์พลาน่อยขึ้นตอนนี้เด็กอยู่โรงประจํานะนะมีบางคนพ่อแม่ก็ไม่มีปิดเทอมก็ไม่มีกลับบ้านพวกคูว่าไอ้เด็กคนนี้เนี่ยบุญมันเยอะมากพ่อไปทางแม่ไปทาง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 แข่งขันโตตอนนั้นมีสงครามเย็นเอาอาวุธแข่งกันฆ่ากันยุคหนึ่งมีล่าอาณานิคมนะคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าถ้ามีอาณานิคมเยอะๆเขาจะมั่นคงล่าไปล่ามาผู้ล่าก็ทุกผู้ถูกล่าก็ทุกกรอบโกยทรัพยากรเข้าไปแต่ตัวเองก็ทุกความคิดนั้นก็ล่มสลายยุคหนึ่งยุคค้าขายเสรีใครไขค้าค้าใครขขายขายขายทุกอย่างที่ขวางหน้า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 หาเงินมา30สิบวันเหนื่อยยากแสนเข็นขอให้กูใช้เงินได้วันหนึ่งมีความจุกในการใช้เงินวันหนึ่งแล้วก็ไปทุกอีก30สิบวันนี่คือบริโภคนิยมและวัตถุแต่และชิ้นที่เราบริโภคเราใช้เนี่ยพว ก, กูจำได้ตอนเด็กๆพว ก, กูอยู่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลที่บ้านมีโรงสีใหญ่หลายโรง ก, กรมารอนกมะกรตอนนั้นเขามีหน้าที่ส่งข้าวไอ้จักรยานคันนึงเขาใส่ข้าวสารกระสอบละร้อยเนี่ยกิโลเนี่ยได้สงกระสอบทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆลองดูนะเอาจักรยานเราใส่แท็คกระสอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันงอเลยคนทุกวันนี้เขาทํามาขายเขาไม่ได้ทํามาใชา้เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆต้องให้มันสวยก่อนเร็วกว่าแต่มึงต้องไม่ทน ถ้าทนมันจะขายได้หากมัมยความคิดแบบนี้ไงแล้วล้างผ่านทรัพยากรของโลกกระบวนการผลิตมันเนี่ยใช้พลังงานน้ามันกว่าจะเป็นน้ามันกี่ล้านปีมันก็เจาะขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านมาเร็วก็มาเผาผ่านทิ้งกันไม่มีแม้แต่ประเทศไหนประเทศหนึ่งในโลกนี้ซึ่งไม่มีหนี้สินอาี่ปล่อยคู่เขาน่นแหละนั่นหละเป็นทั้งเจ้านี้เป็นทั้งลูกนี่ ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยไม่อยากเอ่ยชื่อเขามากเกินไปนะทุกคนก็รู้เศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหนี้มากที่สุดในโลกอแล้วเงินที่เราทำลายทรัพยากรเนี่ยนะเอามาแลกเป็นเงินมันหายไปไหนหมดมันกลายเป็นขยะหมดละตอนนี้ขยะสารพิษขยะเทคโนโลยีนี่เต็มไปหมด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 ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกใบนี้เละตุ่มเป๊ะเลยไม่ใช่ขยะล้นโลกนะโน่นบนบรรยากาศนั้น ข, ขยะทั้งนั้นแหะขยะเทคโนโลยีดาวเทียมไม่รู้กี่ลูกพอถึงเวลาปุ๊บมันก็เป็นขยะอยู่ข้างบนสารพิษทั้งนั้นโอเคไม่เป็นไรแต่นนี้สัยแข่งขันมันเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจไง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 กลับไปอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เขาก็ไม่มีโอกาสจริงๆแล้วไม่ต้องมาเรียนอะไรหรอกมีแต่ว่าเอาเข้ามามีข้าวกินแล้วก็ปลอดภัยตอนกลางวันเราเอามาล้างเขาปุ๊บกลางคืนมันกลับบ้านมนก็เปื้อนอีกก็เลยว่าเมื่อเมื่อทำทำแล้วทำไม่สุดเนี่ยพาอครูเป็นคนหลอกตัวเองไม่ได้นะก็ปรึกษาคุณเมชีบอกว่าช่วยพระครูได้ไหม ไม่ชีก็มีเมตตาบอกเอาเราก็เอาเด็กมาอยู่ประจาเราก็เอาดิ่งข้างพวกนี้มาอยู่กับเราแต่สารพวกูว่าเป็นเรื่องเป็นความสุขแต่บางคนถ้าอินทรีย์พร ะ, ะไม่แก่กล้าก็ต้องทนทุกข์หน่อยหนึ่งไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเมื่อเรามาเดินสายดีแล้วเราจะไปกลัวทุกข์ทำไมเห็นทุกข์มากๆก็ดีแล้วมันจะได้เห็นความจริงว่า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 หลายปีก่อนพ่อคูยังอยู่อุบล น, นะฐานทัพอเมริกันมาตั้งที่อุบล น, นี่ยี่สบยสชั่วโมงไม่หยุดเลยนะพ่อคูก็มีเพื่อนเป็นทหารอเมริกันวันไหนที่เขาขึ้นเครื่องจะไปบองเวียดนามเนี่ยเขาเอาแก้วคว่ำไปถ้าตื่นเช้าไม่เห็นมันหงายแสดงว่าเขาตายแล้วเขาไปเทระเบิดเทเทเท มัน ไ, ไม่ต้องดูเป้านะมันขนให้มันเทเทเทเทเทปูพมเลยละ่ะแต่สุดท้ายอเมริกันแพ้สงครามเขาไปอยู่ใต้ดินหมดหลังจากเธอเทเธอเหนื่อยปุ๊บเขาก็มาขโมยค่าทีละลายเจลลายอเมริกาก็ถอนทับอันนั้นมีเป้าชัดเจนนะมีประเทศให้เราบม่มแต่ตอนนี้เนะี่ยเขากระจายไปอยู่ทั่วโลกแล้ว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 มันจะคิดตามความรู้ไงมันอันตรายมันจะมาทำไมเบื่อเลิกหาเงินแล้วก็เที่ยวทั่วโลกสิเศรษสุขสิถ้ามันคิดนะแต่มันไม่มีคิดเลยมันรู้ว่าตรงนั้นมันร้อนก็หนีมาหนีมาถอยมาถอยมาถอยมาอยู่บ้านกรุงเทพก็หนีเสือป่าจระเข้ถอยไปอยู่บ้านเชียงใหม่ตอนนี้สิปีก่อนเชียงใหม่ยังอากาศดีบริสุทธ์นะเพราะกูมีซื้อที่หมู่บ้านริมเวียงใกล้ๆสนามบิน ความเจริญก็เริ่มเคิืมขึ้นไว้ก็ไม่ใช่ละเพราะครูอยู่ไมอามี่อยู่ฟลอริดานั้นนะผังเมืองเขายังดีมากไม่แออัดคิดว่ามาอยู่บ้านเราคงดีเลยเนะนี่ยนี้ยิ่งยิ่งยิ่งวุ่นวายมากก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านในเมืองอุบ <c> ล <oughs> พวกคูก็เอาน้องขีนี่ไปฝากโรงเรียนอนุบาลอย่างหนึ่งตอนนั้นน้องคีเกือบสามขวบละสองขวบครึ่ง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 ไม่ได้คิดอยู่แล้วมันมีเหตุปัจจัยทำให้พระกูมานั่งเรือข้ามาจากฝั่งนวนมามาเหยียบแผ่นดินนี้นี่บุ๊พอเหยียบปุ๊บนี่จิตพระกูบอกใช่ละเป็นป่านั่นแหละเราก็ย้ายจากในเมืองมาอยู่ที่นี่จากวันนั้นยี่สปีเมื่อเร็วๆนี้มีผู้อุโสด็อเตอร์สองใบามาเยี่ยมเรา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 ไม่ใช่ว่าคนอย่างพา่อครูนะไม่ใช่คนอย่างพา่อครูคนอย่างพา่อครูถูกฆ่าทิ้งแลวจิตซึ่งเขาเรียกว่าพา่อครูนี่มันเข้าข้างใครได้เลยตอนนั้นที่นี่ญาติธรรมเรามีทุกสีพอสีนี้แห่อยู่ก็โทรมาบอกแก้วทิพบอกพ่อครูออกมาช่วยกัน ถ้าไม่ออกมาไม่รักชาติพอสีนี้แห่ก็มาอีกพูดเหมือนกันเลยพ่อครูอยู่ดีๆของพวกครูเนี่ยไม่ยอมให้พ่อครูอยู่ดีๆพ่อครูบอกแก้วบอกเขานะว่ารักชาติทำไมต้องทะเลาะ ก, กันด่ากันไปด่ากันมาถามว่าสีนี้ด่าสีนั้นสีนี้นมันเป็นขมิ้นหรือเปล่าสีนี้ด่าสีนั้นมันเป็นพม่าหรือเปล่าก็คนไทยด้วยกันคุณรักชาติยังไงคุณไปด่าชาติไทย คุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเพราคูถึงหยุดไงไม่ออกไปไหนเขาก็ยังโทรมาอยู่ไอ้ที่ค้างๆเขาจองตัวไวแล้วแก้วโทรไปบอกทุกคนนะบอกทุกองค์กรว่าพ่อครูขอโทษฮะพ่อครูจำสินก็ยังโทรมาอีกไอ้คนใหม่ก็โทรจะไปบรรยายพ่อครูก็เลยไม่ตัดผมซะเลย ไม่ตัดเอาเดื้อ น, นี่แหละไม่ธีลไมเมตตาพ่อครูหลายปีนะตัดผมพ่อครูทุกวันพ่อครูหนึ่งขี้เกียจรบกวนไม่ธีเหมือนกันคือตัดผมสั้นดีนะเราไม่ต้องดูแลมันไงแต่มันก็ต้องรบกวนคนอื่นแกบอกไม่ได้รบกวนมีบุญเยอะทําให้พ่อครูคือทุกอย่างมันได้อย่างเสียอย่างทั้งนั้นแหละแต่ทีนี่ที่มันมันไม่บางคนเฮ้ยพ่อครูไว้ผมยาวเหรอ ไม่พราะคูจะไปไหว้ทำไมแต่พระคูยังไม่เอาออกเฉยๆเป็นเกาะป้องกันไภไนัยไงหลังจากนั้นมาแก้วไม่เคยถามพระคูเลยว่าเขาเชิญมามันบอกเขาเลยพระคูจําสิ่งได้ผลได้ผลนะพระคูเรียนลำดับว่าการขัดแยง้งมันแรงขึ้นทุกวันแม้กระทั่งในาศาสนาก็ขัดแยง้ง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 ที่ต้องทำแบบนี้เพราะกลัวเขาจะมาครอบงำเรากลัวเขาจะมาบุกลุกเราอันนี้ผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อคุณกีดกันเขาได้เขาก็กีดกันคุณได้แล้วต่อไปคุณจะออกต่างประเทศได้หรือเปล่าคนในศาสนาถือว่าเป็นพ้นมีปัญญาแต่ก็หลวมตัวไปแล้วพรา ก, กูเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ลำดับให้ฟังนะแล้วอยู่ที่นี่ยี่กว่าปีทไมพ่อคูไม่เจอปัญหาเจอ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 พ่อคูเป็นใครอะไรมาจากไหนแล้วทําไมมาอยู่ในป่าเขาก็ถามบอกตรงๆหรอพ่อคูบอกตรงๆให้มัเห็นภาพใช่ไหมพ่อคูอยู่ที่นี่พ่อคูได้อะไรเห็นแต่มิจะจ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเ ง, นยงินกี่ปีมาไม่รู้กี่สิบล้านร้อยล้านแล้วล่ะพ่อคูบอกได้ให้ไงเขาบอกทําไมต้องให้อ่ะเอา้าถามว่าคุณ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 อ้ยใช่พุทธหรือเปล่าใช่อะไรหรือเปล่าพวกคูไม่สนใจหรอกมันจะใช่ไม่ใช่พวกคูทำสามอย่างคือทำดีละชั่วขัดเจาจิตให้ป่องใสทำดีคือการให้ทานหน้าที่พวกคูให้ทุกวันเด็กอยู่กับเราเจ็ดแ0ดร้อยคนสองโรงเรียนนี่ชื่อว่าอะไรไม่ต้องรู้พ่อแม่เป็นใครไม่รู้พวกคูต้องขอบคุณเด็กๆ เ, เหล่านี้เขาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการสร้างทานบา ร, รมีของพ่อคู ญาติธรรบางทีศรัทธาพ่อคูมากเลยเทาย่ทาไหร่เท่าไหร่ก็ทาบุญกับพอ่อกรูพอเห็นเด็กมันกินเยอะหน่อยไปบ่นว่าพวกนี้ตะกะ่าพ่อกูยังไ ม, ม่รู้จักดีอีกเอาดอกมาให้ทูบเทียนไปไหว้เด็กซะถ้าไม่มีเด็กคนจนแนละ้วเราจะไปทำบุญกับใครลองไปทำบุญกับคนรวยเดี๋ยวมันจะเตะเราไม่รู้นับถือศาสนานับถือไปทำไมตอนที่ติดแค่รูปแบบ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 จริงๆแล้วแกบอกว่าชั้นสามหรือว่าอะไรเพราะคูเอาหมดเลยก็ได้เพราะคูดูแล้วไม่ไเพราะคูก็เอาชั้นสองนี่โอเคมีห้องเด็กๆเนี่ยลองทำดูก่อนก็ไม่มีค่าเช่าแต่ที่เป็นรูปบริษัทแล้วก็บอกเออเราเราก็ช่วยค่าไฟเดือนละห้าพันทีนี้สามปีครึ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยคุณบิ๊กเป็นคนทำบัญชีนานยื่นเนีน่พระคูปีหนึ่งยื่นมาพระราคูไม่ได้ดูหรอก มีแกรลรายงานว่ า, เ, าเงินตู้รับบริจาคของบุนนิธีตรงนั้นน่ะเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณหมื่นบาทก็พอไงก็เหลือห้าก็จ่ายไปห้าพันไงยังเหลือห้าพันซื้อเครื่องดื่มน้ำเย็นอะไรม า, ม า, ม, า, ม, ามาแจกญาติๆเขายังอุตสาเหลือเงินมาสามแสนกว่าบาท นาฮารกับคุณบิ๊กก็บอกขอพระรองคูพระครูพระคระคูเอาไม้ช่วยเหลือถึงยากจนบอกไม่เอาไว้ตรงนั้นแหละพระครูไม่ได้ไปทำเพื่อจะไปหาเงินทีนี้มันแคบแล้วมันแออัดแล้วยังกระปากระป๋องคิดว่ายืนเต้นแบบนี้ได้เหลือไม่นะจึ๊กจึกจึกจึกจึกจึกอยู่กระที่เบี่ยงแ้งหน่อยก็ชนแบี่งแ้งหน่อยก็ชนนะพระครูก็สงสารเมตา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 ไม่กี่วันก่อนพ่อครูก็บินไปกรุงเทพไปดูความเรียบร้อยแล้วโอเคก็สั่งให้เขามาติดแอร์คอนดิชันเราลงทุนซ่อมไปล้านบาทพวว่อครัวนี่พวว่อครูทำบุญแต่คุยกันว่ามันมีค่าเช่ามันมีค่าจจ่ายนับแล้วว่าเออค่าเช่ามีแม่บ้านมีแอร์ทั้งหลายเครื่อง น, นะทั้งแอร์ทั้งน้ำนี่ประมาณสักห0 0 0 0อย่างน้อยๆปีหนึ่งก็ 70,000 กว่า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 ระครังแตกไปไม่รู้สิบกว่าใบเพราะกูตีไม่เคยแตกเลยนะแต่กองเชียร์เพราะกูมาอยู่ตีเมื่อไหร่แตกตรงนั้นเพราะเขาใช้ใจตีเอาเอาไว้มันสุดยอดเลยเพราะกูใช้จิตตีนะแตกหมดพอมาปุ๊บทำไมแผลแผะแผะ <c oughs> ทีนี้เขามาเรียนอยู่ที่นี่เขาก็เอาตัวนี้ไปเอาเหมือนกันนะตอนเราไปเปิดใหม่ๆแล้ว นาหารทำสีหน้าตกใจมากพก่อครูทำไมยุคนี้มันเร็วขนาดนี้สมัยรุ่นพวกผมเนี่ยยากยากพก่อครูบอกนิ่งๆพ่อครูสัมผัสดได้แล้วใครทำให้มันเร็วขึ้นไม่ใช่พ่อครูนะเงื่อนไขเวลาของวัฏฏะสงสารบางคนน่ะ้ยนั่งไม่ถึงกี่ชั่วโมงกูก็ทำได้แล้วเนี่ยนะ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 แทบที่จะเปิดคลินิกเลยนะเห็นไหมมันสนุกนะเป็นโรคภัยก็เย็บก็หายไงพวกกูบอกพระอาจารย์ไม่เป็นพระแล้วหลือจะเป็นหมอหรอแต่ตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะติดลมไปแล้วถ้าเราไม่ทำให้ตัวเองแตกฉานนี่เราจะเป็นหลงสิ่งนี้เร็วๆนี้ก็ไปบอกหน้าหารหนาหาร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 มาเลเซียเนี่ยเขาบุกแล้วอินโดนีเซียไม่เคยมานะเขาส่งเด็กนิสิตเนี่ยปีสีเนี่ ย, ยมาทางปักใต้เราแล้วพวกเราเตรียมอะไรเสร็จหมดนะพวกครูจึงบอกครูที่นี่ทั้งสองโรงเรียนเนบไปเที่ยวกรุงเทพไปดูงานโรงเรียนครูก้อย โรงเรียนก่อนพิทักษ์คูก้อยก็ใจดีใจดีนะคูก้อยเขาก็โทรมาถามแก้วก็ถามพ่อครูหน่อยให้ครูไปดูอะไรคูก้อยส่งครูมาดูงานที่นี่พ่อครูบอกพ่อครูไปเห็นโรงเรียนคูก้อยแล้วเนี่ยครูที่กรุงเทพเนี่ยตึงไปคูก้อยเก่งมากถึงหาเครื่องมือไปผ่อนคลายความตึงเครียดของคู แต่ครูของที่นี่ยานเกินไปบอกกูก้อยเติมน้ำมันให้หน่อยหนึ่งโอู้ก้อยบอกเตียงไว้เยอะเลยเป็นกัาดังเลยน้ำมันนะไม่ใช่เทน้ำมันเฉยๆนะจุดไฟเผาด้วย <c oughs> ดีแล้วจะได้ไปเจออะไรที่ของจริงหน่อยหนึ่งไม่ต้องเครียดขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกตื่นขึ้นมาเราจะทำเอ้อละเหยเหมือนเก่าไม่ได้แล้วนะ อาเซียมันเปิดมาเนี่ยครูก็ลําบากลูกหลานเรามันจะยังไงมันจะเอาอะไรไปสู้เขาเราไม่ต้องการสู้ถ้าถามพวกครูเนี่ยพวกครูหนีมันมาไม่ต้องสู้แต่เราหาเรื่องจะไปอุ้มชูลูกหลานเขายังไงคุณคุณไม่คุณปฏิเสธดูแลอนาคตเขาไม่ได้มันหลวมตัวแล้วไงก็ต้องทําเท่าที่เราทําได้เด็กๆ ก, กลุ่มนี้จึงเป็นเด็กๆพวกครูว่าเสียสละด้วย ครูอ้อยเราติวเจ็ดวันบันอาทิตย์หนึ่งไม่มีหยุดเลยเขามาเสียสละเพื่อจะลองโปรแกรมใหม่ที่ครูก้อยสมให้เราเพราะเรามีเวลาสั้นมากเพราะครูทำอะไรไม่ใช่ใจร้อนนะยาติทาบางคนว่าใช้งานเสร็จทุกงานนั่นแหละแต่พาะครูใจร้อนเกินไปพาะครูมีใจเลยออาซว่าพ่รูสั่งไปเบิกเงินให้พูหน่อย ธนาคามันบอกว่าปีหน้าค่อยมาเบิกรอปีหน้าเบิกมาได้นะเบิกแล้สําเร็จแล้วไงเบิกมาได้จริงๆนะแต่แทนที่จะเบิกวันเดียวมันรอปีหน้านี่นี่เยเสร็จเลยทําอะไรต้องติดตามงานอะไรเนี่ยพวกครูไม่รอหรอกพวกครูรู้ล่วงหน้าโดยโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเกิดอะไรเนี่ยพวกครูรู้ล่วงหน้านะนี่คือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งตอนนี้รู้แล้วว่าพวกครูทําไมรอสองปีตอนที่พวกคูบอกว่าหยุด แก่ไม่ได้ออกไปญาติธรรมที่กรุงเทพนี่บอกว่าเพราะครูหยุดไม่ได้นะกระแสมันมาทางเราหมดเลยนั่นแหละยิ่งต้องหยุดอย่าไปติดเบ็ดนะถ้ามีอามิสนิดหนึ่งเนี่ยโอ้สมัยก่อนมีครูบาอาจารย์ที่ดังๆนะพอหลวงพ่อชาท่านสิ้ น, น่ะวันที่พระาราชทานเบญสุ ป, ปุ๊บเนี่ยเขามาปาักกฎเลยเป็นรองรับลูกศิษย์หลวงพ่อชาและปัจจุบันองค์นี้เนี่ยต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศลว มันมีอามิตรมันไม่บริสุทธิ์ไงทำเพื่อลาบยศสนระเสริญพวกกูไม่ได้ทำเพื่ออะไรนะพวกกูถามว่าปฏิบัตินี่แนวนี่ดีไหมบอกดีร่างกายจิตใจแข็งแรงขึ้นก็ดียงไงก็ต้องหยุดไงเขางงอ่ะดีทำไมต้องหยุดอ่ะถ้าไม่หยุดเราจะถูกทำลายด้วยก็หยุดไงหยุดรักษาสิ่งดีๆไว้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 มีคนแถวนมาติดต่อเอาอาหารไทยเข้าไปจัดปาร์ตี้เขาบอกว่าจะมีสอ ส, อสอเนี่มาเยี่ยมเขาเขาจะจัดปาร์ตี้งานนี้พ่อครูไปเองเลยดูว่ามันเป็นยังไงสอสอก็ขึ้นไปบรรยายว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยขาดดุลการค้าญี่ปุ่นเยอะถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้รถญี่ปุ่นรถอเมริกันเนี่เอถอะทะบ้างแต่ปลอดภัยเห็นไหม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 แต่ตอนนี้คําว่าอายแปรยังไงเขียนยังไงพ่อครูก็ไม่รู้มีแต่เรื่องความจริงไปหม่ๆภาษาก็ปูปู ป, ป, าปา่าไม่ได้ไม่อยากไปอยู่อเมริกาพก่อครูไปเรื่อยไม่เคยคิดชอบเลยแต่แม่แกทุกข์มากเราเป็นลูกคนโตนะ่ะนะมาเล่นการเมืองเขาจะฆ่าทิ้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าเป็นคนใจใหญ่ขอมากรัวให้เลยเขาบอกมีเท่าไหร่ก็หมดคนอื่นเขาเล่นการเมืองเขารวยรวยเอาไม่ใช่เขาหลอกพก่อครูไปนะ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 แข่งขันเสรีถามว่าเราจะเลแข่งกับเขาถนนหนทางกูก็ไม่รู้ภาษากูก็ไม่เก่งวัฒนธรรมกูไม่รู้เหมือนเราวิ่ง100ร้อยเมตรแข่งกันคนนึงสตาร์ทจากจุดหนึ่งเมตรคนหนึ่งสตาร์ทจากจุดห้เมต ร, นนต ร, ตรมึงจะแข่งกันได้ยังไงพราะคุมหวานอมขมกลืนเพื่อสนองคุณแม่แต่อเนศงนั้นได้มหาศาลเลยเพราะกูไปเห็นทุกที่อเมริกาไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรม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 นะอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วที่นี้บังเอิญพ่อกูเห็นพอมันระเบิดปุ๊บไม่สงสยัยละอย่าไปโทษใครทั้งนั้นแหละวัฒนธรรมแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะเราหยุดแล้วไปไหนชี้เลยไปบ้านเกิดเมืองนอนจิตพ่อกูไม่ต้องการเป็นหนี้ใครอีกแล้วพ่อคูมาสนองแผนทุนสนองคุณแผ่นดินเกิดแล้วถ้าเรามาอยู่ตรงนี้นี่เราจะมีส่วนเกิน ทำอะไรเยอะแยะมาสนองคุณครูบาอาจารย์คําสอนท่านพระ อ, องค์เนี่ยทำให้พ่อคูพนทุกพ่อครูมีหนี้สองอย่างส่วนหนี้แม่นั้นพ่อครูจ่ายหมดละพ่อครูดูแลน้องส่งเสียจบเมืองนอกหมดแล้วก็ทําตามแม่ที่ต้องการแล้วสุดท้ายมาอยู่ที่นี่26ปีแม่เนืงจากรักลูกรักหลานก็มาเยี่ยมเราก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมทำบุญวินาทีสุดท้ายเนี่ย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 รอให้มันสงบพ่อดูแล้วนี่ชาตินี้ก็ไม่สงบก็เลยหาช่องออกไปบังเอิญวันที่พ่อคูไปดูงานกรุงเทพเขาส่งไปที่สนามบินดอนเมืองระหว่างทางคุณกิจสดาขับรถมาเขาชี้น่พะพ่อคูป้ายใหญ่เขาเขียนว่า High Fitness คำว่า f i ตเน s เนี่ยพ่อคูสว่างเลยเจอทางออกไปแล้ว แล้วมันเขียนมาเป็นโยคะอะไรด้วยนพระครูบอกมีคำตอบแล้วพวกครูพูดหลายปีเยป็นยังยังไม่ถึงเวลามันก็ยังจิตมันไม่ได้ไปสนใจเรื่องนี้นะ่ยพอมันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยจิตพระครูก็พิจารณาว่าเออแล้วยังไงคำว่าฟิตเนสเนี่ยในสายตาความรู้สึกเรามันเหมือนพวก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 เขาองค์ดำดิให้สาวกจาริ้ออกไปประกาศภรมอาจารย์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดสัตว์โลกทั้งหมดไม่เพียงแค่มนุษย์ไม่เพียงแค่มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งลทัทธิด้านลกที่หนึ่งพ่อคอูพยายามทำอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าทำเสีเยดสีบอย่างเข่งคัดนะอย่าคอร์รัปชันอย่านอกลูก่นอกทางเนะ่เดี๋ยวเราจะแข็งแข็งแรงอีก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 หัวใจเป็นศูนย์กลางของชีวิตแต่มันอยู่ได้ด้วยจิตจากวันนี้เป็นต้นไปนะโอเคศูนย์กรุงเทพเพราะกูเห็นแล้วอย่าไปบอกว่าไปไหนไปปฏิบัติทรามให้สายไหนวะมันถูกต้องหรือเปล่าพอปฏิบัติทรรมปุ๊บเนี่ยก็ไปหลงสภาวะธรรมให้กูเห็นนั่นกูเห็นนี่ก็บอกแล้วเหวี่ยงทิ้งไง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 จันหลงพระศาสนาประกาศศาสนาเราจะประกาศพุทธมจริงกระช่างถึงจะเป็นฟิตเนสกระชั้เนเลยแต่ให้กูไปเก็บตังค่าปฏิบัติเนี่ยเพราะกูทําไม่ได้เราต้องมีหน้าที่ให้แต่ทํายังไงให้องค์กรนั้นมันอยู่ด้วยตัวมันเองได้ก็หลังจากเห็นกับว่าฟิตเนสโอเคเราไปฟิตเนสไปไหนไปฟิตเนสเขาไม่ต้องถามเลยนะสายไหนใช่ไหมคุณมีหน้าที่ฟิตก็ฟิตไป ยังไปฟิตเน็เนี่ยโอเคกูไปยกน้ำหนักยกน้ําหนักเนี้ยทำแต่เรื่องเก่าๆทำแต่เรื่องเก่าๆทุกวันเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆมันก็แข็งแรงขึ้นทุกวันอันนี้สแสวงหาแต่เอ้ยนั้นดีนะวิธีนั้นดีนะวิธีนั้นดีนะไปวิ่งหาแต่สิ่งใหม่ๆแต่ทำแต่เรื่องเก่าๆสนองกิเลสทั้งนั้นใน ต, ตัวอยากรู้อยากเห็นจากนี้ไปฟิตเน็แต่ที่นี่เราพูดคําว่าฟิตเน็ไม่ได้มันขัดแยง้งเมื่อวานนี้พอกูดูทั้งวันดูทั้งนอกทั้งหมดเลยอันนี้ก็พระใหญ่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 คือคพ่อครูเมตตาเมื่อตั้งเป้าแล้วพ่อครูจะหาคําตอบเออมีวิธีแก้ไขไหมเพื่อให้งานนี้เดินแต่งานนี้เดินไม่ได้ก็ไม่ต้องทําเราไม่ใช่วัดซะหน่อยหนึ่งก็ที่ผ่านมาพ่อครูไม่ยุ่งออกับเขาแล้วโอเคแต่สิ่งหนึ่งสมัยก่อนเขาเรียกศูนย์ปฏิบัติธรรมพรลานค่อยพ่อครูบอกแก้วเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่แล้วนะแก้วอย่าไปเรียกศูนย์ปฏิบัติธรรมมันเคยมีเรื่องหนึ่งนะ ญาติธรรมจริงๆแล้วก็ศรัทธาพ่อครูมากอ่ะแต่นานๆมาครั้งหนึ่งเห็นความเจริญมากแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเก่าไงเขาไม่พอใจเลยไม่รู้เขาก็กลับไปลายมาเยอะแยะเลยศูนย์ปฏิบัติธรรมอะไรนี่ไม่แยกชายแยกหญิงเห็นไหมจับผิดหลายอย่างเลยศูนย์ปฏิบททัติธรรมชมแล้วก็แต่งชุดขาวสีอันนี้หลากสี เห็นไหมก็ที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่คือศูนย์พลานคอยเราบริหารด้วยมูลนิธิเพื่อผู้ ด, ด้ยโอกาสศูนย์พลานคอยมูลนิธิไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับาศาสนาะแต่พ่ะครูพุทธละ่ะที่นี้มันก็มีศูนย์จิตใจศูนย์ ส, สมองศูนย์ปากทองเห็นศูนย์สมองก็มีโรงเรียนสองแห่งเป็นฐานที่ตั้งแห่งการสร้างทานบารมีของเรา ศูนย์จิตใจก็มีศาลาแห่งนี้มีที่พักสงฆ์ที่พักชีญาติธรรมพุทธบริษัทธสีอุบาสกอุบาสิกานั่นเขามีครอบครัวจะไปแยกผัวแยกเมียเขาหรือเราไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเราเป็นศูนย์พระลานคอยแต่ศูนย์จิตใจนี่เป็นเซสชั่นเป็นกิจกรรมเราอย่างหนึง่งพครู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 ก็ ต, ตัดตอนธรรมดาพราะกูจะเปลี่ยนมันที่หนึ่งเลยนะทีนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะมันแยกไม่ออกไงเพราะกูไม่เป็นคนไม่ดื้อนะแต่เป็นคนจริงเราต้องหาคำตอบที่มีเหตุผลตอบตัวเองได้ก็สรุปว่าตรงนี้ดำเนินต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะทุกคนต้องให้ความร่วมมือพอกูนะ อย่าไปพูดเรื่องสภาวะธรรมกันเด็ดขาดต่อไปใครจะถามสภาวะธรรมเนี่ยต้องเอาเงินมาเยอะๆนะคำถามหนึ่งสองพันแต่ถ้าไม่ถามพ่ะครูไปถามคนอื่นไอคนนั้นเผลอตอบคนโขอตอบก็ต้องเสียสองพันเราทำหน้าที่เราเรามีหน้าที่ดูแล กายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขไม่คนแย้งพ่อกูพ่อคุยยังสอนให้เขาติดสุขเลยพ่อคูคูโง่ขนาดนั้นเลยมันยังไม่พ้นทุกข์ก็สุขไว้ก่อนแล้วคุณรู้เปล่าสุขจริงๆมันคืออะไรนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งปิรามิดเราแบ่งเป็นสามส่วนเท่ากันความสูงแต่ข้างล่างเนี่ย ถามมันกว้างกว่ามันเป็นเจ็ดอร์ซตรงกลาง20ตรงปลายสิบเอร์ซตตรงยอดมันไม่ถึงหนึ่งอร์ซมัวจะไปพูดนิพานนิพานอยู่ตรงนั้นแหละคนที่เขายังไม่พร้อมเขาไม่รู้ว่านิพานคืออะไรเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเจ้าภาพเขาเอาพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมังกรมาที่นี่เขาไม่เคยมาสูงพระอาจารย์ปรังมีพามา เพราะเขามีนิมิตว่าพระโพธิสัตว์บอกว่าต้องสร้างปางมั ง, มงกรเขาก็พากันมาดูบางเอิญเขามาเห็นรูปภาพที่นี่เราถ่ายที่นี่ได้ไ ด, ไ, ดได้ที่พระประธานเนี่ยพระโพธิสัตว์ยืนอยู่ตรงหลังมังกรเ่งเจียยืนอยู่หัวมังกรพวกคุณเรียกว่าปางเคลื่อนพลจัลงศาสนาตอนเข้าพรรษาถ่ายได้ทุกวันออกาพรรษาปุ๊บมันไม่มีเลยแล้วอีกไม่นานกุ๊ปนี้ก็มาอ ย, อยู่เขาฝัน เขามาขอสร้างที่นี่พราะเขาเห็นรูปตรงนี้แหละก็ให้แม่ชีเขามานั่งทางไในเขาบอกใช่แล้วนะพอออกพรรษาแล้วมีญาติธรรมก็อเอาพระโพธิสัตว์คนยิมชุดหนึ่งที่มีเด็กรับใช้สองคนน่ะคนจีนว่าเสียงใช้เหล่งหนึ่งเนี่ยมาถวายพระกูก็ตั้งไว้ตรงนี้ญาติธรรมเก่าๆมาเอ๊ะพระครูเปลี่ยนลทัทธิใหม่แล้วเหรอเอะอยู่เรื่อยพระครูบอกนิ่ง นิ่งๆพวกกูไม่ได้ขอกขาสักหน่อยหนึ่งเออเขามาทำบุญก็รับไว้ก่อนที่นี้ไม่ต้องการขัดแยง้งบังเอิญมีญาติที่ทำมาจากฮ่องกองจะเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสมุดให้เราเพราะกูเออในไหนหองสมุดสร้างเป็นสองชั้นเลยก็อัญเชิญพระโพธิสัตว์ชุดนี้ไปอยู่ที่นูน้นเพราะคนเราจริตไม่เหมือนกันที่นี่เจ้านี้ก็นิมิตรต้องสร้างปางมังกรอนีนะ คิดว่าองค์เล็กๆมาให้พระครูเนี่ยองค์เบอ้อเลอือขนาดนี้จะไปตั้งข้างบนได้ไหมเขาบอกตรงสร้างไปทางทิศเหนือนะนะก็ะทีแรกบอต้องต้องอยู่ในกลางแจ้งเออแล้วก็เตรียมพื้นที่ให้เตรียมฐานให้ก็วันมายกอาจารย์บารมีก็ตามมามาทำพิธีเบิดพิธีพวกนี้พระครูไม่รู้แต่พ่อครูไม่ต่อต้านพระครูไม่ทำลายสมบุญบัญญัติของใคร ใครทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเถอะจะภาพก็มาว่าเอ๊น่าจะมีหลังคานะเพราะว่าองคุณอิมจะได้มีอายุยืนยาวเอาอีกแล้วได้คืบเอาศอกอยู่แล้วเออต้องเป็นแบบเก็งจีนนะมีหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรอะไรเนี่ย เขากลับไปพรากคก็ไปยืนดูพราะคูไม่เห็นเก่งจีนเลยเห็นเป็นปีละมิดก็เป้าหมายเ็เพื่อว่ากันแดดกันฝนใช่ไหมก็กันไงและบนยอดนี่ก็บรรลุบนจุบรมสาลีกถาด้วยนี่ได้สองต่อพรากคูไม่ติดบ่วงเจ้าภาพเขามาเอ๊ะทำไมตำหนักกวนอิมเนี่ยมังกรก็มีพญานาคก็มีลิงก็มีคุดก็มี ถ้าเป็นสายจีมีไม่ได้นะเพราะครูบอกนี่มันร่วมสมัยพราะครูไม่ได้ติดลัทธินิกายแต่ไม่ได้ปฏิเสธเราต้องข้ามพ้นสิ่งนี้แต่ว่าจิตเราต้องเหนือสมมุติแต่อย่าไปทำลายสมมุติที่เล่าให้ฟังแหละให้คลรามิตรุ่นเก่าๆกับช่างเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยบอกแก้วอัดไว้นะ ไปเปิดโคทุกวันก่อนถึงวันที่15หนะมันมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างจักรวาลก็เปลี่ยนนะผ้นะาทิศเปลี่ยนพระจันทร์เสี้ยวนิดเดียวนี่ทรงกดได้นะช่วงไม่กี่ปีมานี้เปลี่ยนโลกร้อนขึ้นไม่ใช่กรีนเฮาส์เอฟเฟกต์อย่างเดียวนะนะเราอยู่ในกล่องผ้าทิศเองก็ร้อนขึ้น จิตใจมนุษย์ก็เล่าร้อนขึ้นเพราะมีกิเลสการแข่งขันยื้อแย่งคูยกันไม่รู้เรื่องทั้งโลกแล้วล่ะศาสนาก็ทะเลาะ ก, กันสงรามาศาสนาก็กำลังเกิดขึ้นแต่บังเอิญที่นี่หลังจากจิตพ่อคูเมื่อวานนี้ทั้งวันนะองค์ประธานนี้มีพลังมากเหลือเกินนะตอนนั้นพ่อกูจดจ่อมีแต่ว่าเออมีทางไม่ใี่ทําให้ไอ้ไอโปรแกรมที่พ่อคูบอกนะนะ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 ไม่เชื่อเดี๋ยวเดี่ยงหมดแต่ละคนน่ะมึงเข้าไปออกไม่ได้เลยหลังจากโปรแกรมนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไมตอนเช้านี่ห้าโปรแกรมนี่พวกครูใช้เวลาสั้นๆเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแลว้วก็อารมณ์ตอนสายปุ๊บยืนเดินนั่งนอนไม่พิจารณาไม่ตัดสินยืนเฉยๆ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 เราดาัดแปลงได้ไม่ว่าขอให้มันเกิดนี้เถอะแต่ทุกคนมาฝึกว่าชีวิตเรานี่คิดคิ ด, คดตลอดทําอะไรก็วางแผนกําหนดควบคุมฝึกสัมมถากมาฐานยังต้องเพ่งต้องมีการกระทำอยู่อันนั้นไม่ได้ผิดนะมันเป็นสัมมาถากรรมฐานมันเป็นการฝึกต้องเพ่งที่ฐานใดฐานหนึ่งให้มันสงบบางคนพูดแม้กระทั่งว่าอู้ฉันปลอดภัยละฉันมรุ่นธรรมละนะฉันสงบสงบว่างวางนะคนนี้ก็า ส, สะอาด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 เดินอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยนอนอยู่เฉยๆสิมันง่ายง่ายไม่ต้องทำอะไรแต่มันยากที่สุดถ้าไม่มีขันติยืนอยู่เฉยๆเมื่อยมากนะนอนอยู่เฉยก็เมื่อยมากการนอนนอนอยู่เฉยๆไม่ต้องออกกําลังกายมันบอกเมื่อยเถ้าเราอยู่เฉยๆเน่ยมันจะเกิดวิปัสนาอันนี้ไปกดอยู่ให้มันสงบสงบ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 ที่ไ้ตัวสันตติมันวิ่งไปทั่วล่างเลยที่มันอยู่กับจิตปัจจุบันนี้มันเป็นพลังงานของจิตมันเป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันมันเกิดแล้วเวลาเราตายปุ๊บจิตมันคงขี่จรวดไปเนาะพลังสันตติเนี่เป็นตัวขับเคลื่อนมันไปสันตติเป็นตัวสืบเนื่องของการเวลาระหว่างอดีตปัจจุบันไปอนาคตมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งดับมันไม่ได้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 ทีนี้มันเป็นพลังตามธรรมชาติเราดับมันไม่ได้เรามีหน้าที่มีสติที่เร็วกว่ามันเสียงด่าเราคือรูปมันด่ามาปึ๊บไอตัวได้ยินคือนามมันเกิดก็ดับไงแต่เราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดเพราะสัญติมันเร็วพวกกูเคยบอกแล้วว่ามีคนถามพระพุทธองค์ว่า มีสวนมะม่วงนี่ยคนอื่นมามาต่อยได้ไหมพระองค์ไม่ได้ถ้าขโมยต่อยก็เป็นรักขโมยไงและถ้าคุณจิตไม่บริสุทธิ์คุณก็ไปขโมยเพื่อไปสนองตัญหาของคุณไงสวนมะม่วงนี้ของของขอ ง, ของพระองค์พระองค์จึงมีสิทธิ์แต่พระองค์แน่นอนไม่เอาพว ก, พวกเขาพกเขาหอดพระองค์ปลูกก็เพื่อเพื่อจะให้สัตว์โลกพ้นทุกนั่นแหละ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 สมัยก่อนเขคุยกับพ่อครูมากเลยเพราะว่าคนตะวันตกข้อสงสัยเยอะเขาบอกว่าถ้าเขาเขาไม่หายสงสัยเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติไงมาวันแรกนี่ถามพระครูครึ่งวันนะพระครูไม่ต้องทําอะไรถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแล้วบางเอิญรักขังช่วยทางขัวเ้าตีกั้งไปกินข้าวเที่ยงแล้ว <c oughs> บังเอินวันนั้นประแขะทำก๋วยเตี๋ยนะพรอครูก็ถามว่า เธอรู้หรือเปล่าเนี่เขาเรียกว่าอะไรคนไทยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าเธอถามพ่อกัว่าอร่อยไหมพวว่อคบักอร่อยรสชาติยังไงมันหวานด้วหนึ่งเค็มด้วหนึ่งเปรี้ยวดิวหนึ่งคุณรู้ไหมทำไมไม่ชิมดูเน่ยไม่ต้องเก็บตังค์ด้วยมันบอกไอ้เก๊อิดเออเก๊อิดไปปฏิบัติซะมัอจะเถียงอะนอยู่ตรงนั้นแหละ เพราะคูเจอนักวิชาการมาเยอะแยะเลยแล้วเ็วนี้ก็เจอน่ยแหละเพราะว่าโอ๊พราะคูกาบขอบคุณมากเลยทําให้พระคูตัดสินใจเร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้โมจะตั้งโจทย์เอาภาษามาโขกกันว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยกตัวอย่างให้ฟังนะเข้าๆนะไม่มีเจตนามันเป็นมันเป็นเกิดปัญญาสำหรับเราเพระพระคูบอกว่าภาษามันหยาบเกินไปนะปุ๊บปิดจิตเลย เพราะอาชีพเขาอยู่กับภาษาเขียนหนังสือขายพวกครูลบหลู่ภาษาเหรอฟังให้มันจบก่อนถ้าลบหลู่พวกครูใช้ภาษาแต่นี่ภาษาไงนี่ภาษาไงไม่ฟังอาจารย์อ้อยก็บอกเป็นนะบางทีฟังพวกครูเนี่ยมันไม่เข้าใจยากนะักวิยาศาสตร์เป็นแบบนี้นะฟังปุ๊บก็ไปคิดตัวนี้แล้ว พ, พอพูดคาอื่นไม่ได้ยินเลย บางครั้งคุณฟังภาษาคุณต้องฟังให้มันครบพราะคบอกภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นพูดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าภาษามันไม่ดีเขาก็บอกว่าลบหลู่ภาษาได้ยังไงภาษามันเกิดขึ้นตั้งแต่กี่ล้านปีเห็นไหมนกมันร้องจิบจบจิบจิบจบะภาษาเป็นนกมันส่งเสียงเป็นสัญญาณเตือนภัยเฉยๆสัญญาณนะ ภาษามนุษย์ใช่อย่างนั้นเหรอยกตัวอย่างพอ ก, กูยกตัวอย่างว่ารู้จักพวกเรารู้จักพระอาจารย์พุทธทาสไหมทุกคนรู้ใช่ไหมท่านเป็นต้นตํำรับตัวกูของกูใช่ไหมเราทําไมไม่มีความรู้สึกท่านเลยไงเพราะบารมีท่านไงลองพวกเราลองพูดสิอ่ะภาษาเหมือนกันไงทําไมโกรธอะ ภาษามันนี่มีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าไม่มีปัญญาจะใช้ภาษาทะเลาะ ก, กันนะ่อันนี้พูดไม่ใช่ว่าลบหลู่ใครนะทำไมพวกกูยกตัวอย่างดอกเตอร์บ่อยๆไม่ใช่ดอกเตอร์เป็นคนไม่ดีนะพวกคูพูดถึงความเป็นดอกเตอร์วิชาการที่เขาเรียนมาเขาได้เป็นดอกเตอร์นั่นจบปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาได้ไงภาษาไงเอาภาษามาทะเลาะ ก, กันไง แต่พวกครูไม่ได้บอกว่าภาษามันไม่ดีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเราเห็นไหมถ้าเรามีปัญญาเราก็จะยุ่จักใช้ภาษาให้ทุกคนเกิดปัญญาใช้ภาษาให้ทุกคนรักกันเข้าใจกันไงแต่ตอนนี้ยิ่งเรียนเยอะๆเราคุยกันไม่รู้ภาษาแล้วคุณจะไปเรียนทำไมฟังให้มันจบก่อนถ้าลบหลู่ภาษาพวกครูจะไปใช้ภาษาทาไมพวกครูเป็นใบไม่ดีเหรอเนี่ยฟังครึ่งหนึ่งพอบอกว่า สติไม่ใช่พระเอกนะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดไอ้คนฝึกสติอยู่เนี่ยฟังแค่นี้ปุ๊บกูก็วีนแล้วปิดประตูอะไรไม่ฟังต่อคุณลบลูสติเหลอเอาอีกแล้วบอกฟังให้มันหมดก่อนสิพวกกูเจออย่างนี้ยี่ปีแล้วแล้วถามพวกกูคืนว่าเอาแล้วสติปัญญามันต่างกันยังไงเขาเข้าใจว่าถ้ามีสติปุ๊บเนี่ก็คือปัญญาก็คือจบ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 สำคัญว่าคุณใช้มันทันไหมทันอารมณ์หรือเปล่าพราะบอกว่าปัญญาคืออะไรมันแปลตรงๆไม่ได้หรอกพวกคุณบอกว่าไม่ใช่ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังมันคือมันไม่ใช่อะ่ะและ้วสรุปง่ายง่ายว่าถ้าไม่มีปัญญามันวางไม่ได้คนวางได้เนี่ยมีปัญญาอย่างยิ่ง บรรวางทรัพย์สินเงินทองลาบยศสรรเสริญวางทั้งหมดเลยนั่นแหละคนักคนมีปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากอันนี้ไปเรียนจนเป็นขยะเป็นกระบุงหมดยิ่งเรียนยิ่งอัตตาเยอะคุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็อ้างผู้ทีเจ้าอ้างผู้ทีเจ้าอ้างผู้เจ้าไม่เคยทําตามผู้เจ้าไม่วางอัตตาวางไม่ได้ไม่ได้ผิดนะ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 รอไปอีกชาติหนึ่งก็คงไม่ได้เอาสิ่งดีๆไปแบ่งปันมวลมนุษยชาติหลังจากเห็นคำว่าฟิตเนสปุ๊บพกกลวว่าเจอช่องออกไปแล้วทุกคนทำได้วิชาอะไรวิชาหนึ่งสมมติว่าเอาแม้กระทั่งโยคะเด็กมันทำได้หรือเปล่าอาจจะทำได้คนแก่ทำได้ไหมแต่ไอสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยทุกอายุขทยาได้หมด Easy, Happy, Freedom ใช้ภาษาสากลเพราะครูต่อนี้ไปจะพยายามหลีกเลี่ยงใช้ภาษาพุทธแต่ใช้ภาษาธรรมภาษาธรรมดาธรรมดาอย่าไปตั้งวิชาการภาษาพุทธปุ๊บก็มานั่งตีความว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยมันเสียเวลาเปล่า มิจะถูกบังคับว่าต้องไปนั่งถ้าใครเกิดมาชาตินี้เนี่ยไม่ได้ยินคําพูดพระพุทธเจ้าแล้วนี่ตกนัลกพูดแรงขนาดนั้นนะเพรา ก, กูก็มานั่งดูเอ๊ะเราสี่สิบปีเราไม่เคยได้เรียนว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรเลยทําไมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่ไปท่องจําสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าทำ <c oughs> พุทธองค์เองเองจ้าชายจิรัฐานเนี่ยไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลย เพราะมันไม่มีให้อ่านไงพระ อ, องค์เริ่มจากลองผูกลองผิดอยู่หพรรษาไปเจอทางสายกลางไงพระ อ, องค์เกิดมาในกองเงินกองทองอะไรเสพสุขก็ไม่พ้นทุกข์ไงพระ อ, องค์ก็เลยไปลองทุกขกละกิริยาทรมานตัวเองดูงมันก็ไม่พ้นทุกข์ไงถ้าพระ อ, องค์ไม่ลองตัวนั้นพระ อ, องค์ก็ไม่เห็นทางสายกลางไม่ใช่พระ อ, องค์ผิดนะ ถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้เราบุญเยอะมากเลยไม่ต้องลองเกิดมาก็เจอคําสอนผู้เจ้าอยู่ที่ว่าเราจะทํำไหมมีจะไปท่องจําท่องจําอยู่นั่นก็ไม่ทำแล้วไปแบกขยะสร้างหัวโขนขึ้นมาแล้วมันจะไปไหนล่ะมันเพิ่มบัตรตาไงพ่อครัวมันถึงเวลาจริงๆมันสุขงอมจริงๆพ่อกูท่องอนุโมทนาสาธุทุกอย่างที่ให้พ่อกูได้สัมผัสนะ พ่อครูทำอะไรทำจริงอยู่แล้วแต่จริงแค่พอดีพ่อคูเด็ดขาดนะพราครูเด็ดขาดอยู่ในความพอดีไม่ใช่สุดโตรงไม่ใช่หย่อนยานก่อนจะทำอะไรพ่อกูไม่ใช่ไปนั่งคิดเอานะพ่อกูก็เดินไปสัมผัสจะไปสร้างในพ่อกูไปเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดี๋ยวมันก็วาดภาพให้พ่อคูเองว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่เมื่อวานนี้เดินทั้งวันมันบอกว่าไม่ให้ทา <laughs> แล้วก็หยุดไงจะไปดื้ออยู่ทำไมละ่ะเออก็ <laughs> อจบไม่เห็นมีเรื่องใหญ่เลยแต่บางคนไม่เข้าใจไม่รู้นิสัยพ่อครูนะเฮ๊ะ ค, คนคนนี้เนี่ยปิ้นป้อนกระล่อนพูดไปพูดมา <laughs> บางทีพ่อครูปุ๊บพ่อครูก็พูดให้คนข้างตัวดูอารมณ์เขาเป็นยังไงส่วนมากคนที่นี่พอพูดเขานิ่งเฉยหรอกเขาเชื่อมั่นในตัวพ่อครูพูด เขาคุยกันบอกถ้าไม่ถึงวินาทีสุดท้ายมันยังไม่แน่นอนหรอกเห็นไมเพรกะครูสอนอ น, นี้จังทุกขังอนัตตานะแต่มันไม่ใช่เปลี่ยนเพราะมันกระล่อนไม่ใช่มันไม่ได้ตัดมันไม่ได้ตกลงสัญญานะมีแต่เล่าให้ฟังว่าเออตอนนี้มันเป็นแบบนี้เดินไปเดินมาปุ๊บขึ้นมันเปลี่ยนก็บอกว่าฉันก็เปลี่ยนนี่แหละคนไม่ยึดมั่นถือมั่น ถ้าเรามีอัตราเป็นลัทธินิไกยไม่ได้ฉันต้องทําอย่างนี้อย่างนักวิชาการนะมันส่งเสริมปลูกป่าทํำยังไง ร, รู้ไหมนะพ่อ ก, กูมาทํารพ่อครูก็พวกคูชอบต้นไม้อยู่แล้วไงมาส่งเสริมปลูกป่านะมีเลือกมาเลยมีต้นสักต้นอะไรที่ว่าน่าต้องปลูกรัฐบาลให้ค่าดูแลอะไรเนี่ยนะเอาต้นสักมาปลูกให้พ่อคูเหมือนเอาฝรั่งมากินเข้าวเหนียวนั่นแหละ มันไม่ใช่บ้านมันเสียงว่าประมาณหมดเลยกาลังจะโตปุ๊บเจอหน้าแรงเนี่ยต้นศักมันฉลาดกว่าคนบางคนนะมันตัดอัยวะเพื่อรักษาชีวิตมันผีใบเพื่อรักษาต้นมันพอฝนมาก็ขึ้นใหม่อีกกาลังจะขึ้นนิดนึงเนี่ยแรงอีกแล้วส0สิปีมันไม่โตเลยนี่แหละแล้ววิชาการไง แล้วไปนั่งคํานวณอยู่ในห้องแอร์ว่าเฮ้ยไล่หนึ่งต้องกี่ต้นกี่ต้นกี่ต้นบังคับทุกคนทําเหมือนกันหมดไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆในหลวงเตือนอยู่แล้วนะไอ้ที่มันมีอยู่แล้วอย่าไปเอามันออกเราเปิ่งไม่มันไม่ตรงต่อหลักวิชาการทํำลายต้นไม้ใหม่หมดเลยไปปลูกต้นไม้น่อยๆอยแล้วต้นไม้เศรษฐกิจเศรษฐกิจมันไม่ได้ปลูกป่านะมันตุดเพื่อเพื่อจะตัดปลูกเพื่อจะทําลายนะคนเราคิดได้อย่างนี้นะนี่คือวิชาการไง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 ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ปลอดภัยอย่าประมาทมันน่าหลงทั้งนั้นแหละเราสะอาดกว่าคนอื่นไนหะมันสะอาดสะอาดมันสงบสงบมึงไม่เคยเจอเหรอกกูสุดยอดเลยกูเป็นผู้วิเศษแล้วมึงอย่ามาใกล้ตัวกูนะเดี๋ยวกูจะเปื่อนคนสะอาดจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลสะอาดยังมีกิเลส น, นะกลัวเปื่อนนั่นแหละอย่าประมาท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 คุณกล้าเวียงทิ้งไหมเรื่องอะไรเวียงทิ้งฉันสะอาดฉันสงบสงบฉันว่างวางแต่ฉันไม่ยอมว่างฉันยังกอดมันไว้อยู่ระหวังนะมันเหมือนเส้นผมบางคูเขานะเพราะคูยี่หปีนี่ไม่เคยเอาสมองโ ง, โง่ห6สกว่าปีเพราะคูไปสอนจิตเลยนะที่พูดนี้ก็พูดประสบการณ์ทั้งทางโลกทางทำให้ฟัง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 บางทีมันเห่ามันหอนมันเครียดไงมันก็ปล่อยคายอารมณ์เครียดมันถึงไม่เป็นมะเร็งไงอันนี้เตรียมร่างกายเดินทางไกลหน่วยยืนเฉยๆเดินเฉยๆเฉยๆมาฝืนกิเลสเราไนงะกิเลสมันชอบไหมตื่นมากูก็คิดทําอะไรก็ต้องวางแผนต้องควบคุมลองยืนเฉยๆเดินเฉยๆนั่งเฉย ๆ, ๆอันนี้เราดึงกับเราไมา่เป็นธรรมชาติทําหน้าที่ไงมีหน้าที่ยืนก็ยืนสิ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 เดินออกจากป่าให้มันเร็วที่สุดเวลาเราน้นยนะไม่รู้หรอพกพราครูโน้ดไวมันไม่ไม่ยอมดู เ, เนาะดูว่ามันค้างอะไรอยู่หรอเปล่าบดเวลาพ่อ ก, กูแล้วเนินเพราะคืนนี้ต้องพูดมากหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะสื่อสารให้ทุกคนไม่ได้มาเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊ะพ่อครูทาอะไรที่จะเปิดก็เปิดที่จะปิดก็ปิดที่จะเปิดก็เปิด ลูกกระเปิดลูกกระปิดก็มันไม่เที่ยงไงก็รูปนามไงเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะเออมื่อคืนถ้าว่าพระพุทธรูปนี่ไม่บอกพระครูเนี่ยพวกเราโดนกระทบแน่แน่พระครูจะเอาไม่ฉีไปซ่อนที่มุมไหนมุมหนึ่งก็ขอประกาศว่าวันที่ส5บห้ามกราคมห้าเกปิดศูนย์ที่โคอยู่ฮะนะวันที่16ห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 นะแรกๆ ก, ก็ทําแบบนี้ก่อนนะแล้วต่อไปจิตอาสาที่ใครจะต้องการไปเดีายวสาต้องสมัครมาก่อนต้องมาอยู่ศูนย์สักพักหนึ่งนะต้องเคลียร์ให้มันแม่นแม่นไม่ใช่ไปติดสงบสะอานสว่านตัวนั้นอีกนะนั้นยังเป็นไม่ได้เพราะมันเป็นแค่ฟิตเนสมันไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติแม้กระทั่งศูนย์เรานี่ต่อไปก็ไม่เอาหลีกเลี่ยง ก, การพูดเรื่องสภาวะธรรมอย่าอวดอุตตรีมุนทิชียธรรมอย่าสนองความอยากตัวเองมันเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพราะเราไม่เข้าถึงนานาจิตตังโอ้มันดีไว้เราก็ยัดเยียบมาใหม่ใช่ไหมอ้าวจับมันทําเหมือนเราเลยเป็นหุ่นยนต์อ่ะมันมันเป็นแค่วิชาฝึกสมาธิสติมันไม่ใช่มัคจิตมัคจิตต้องต่างคนต่างทำแต่เราต้องฝืนตัวเองนะอย่างคําว่านานาจิตตังกลางคืนเนี่ยมันเป็นสติปัฏฐานสคือมหาสิทธามันรวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยอย่าเข้าไปลึกมันอยากไปลึกก็ต้องไม่เข้าอันที่เราฝืนมันนั่นแหละคือสติ เราฝืนมัน บ, บ่อยๆเนี่ยเราก็มีกำลังอินทรีย์พลังเราก็แก่กล้าขึ้นตอนบ่ายเวียงเข้าไปนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นบุพเพนิวารสานุสติญาณ ม, มันสามารถระลึกชาติได้แต่แกไปหลงติดมันถ้ายังไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเข้าไปนะรวมพลังก่อนพอเข้าไปปึ๊บมันจะเข้าไปอย่างสุ ข, ขุมรอบคอบมันจะไม่ถูกอารมณ์นั้นลากถูลูดถูกกังไปจนเหมือนคนขาดสติไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นนะตอนนี้ถามว่า เข้าไปได้ด้วยยังลึกแค่ไหนไม่ต้องเข้าก็ได้ด้วยนะเขาตามลมหายใจเฉยๆเขาก็บรรลุทำได้นะแต่ของเราเนี่เพราะูเปรียบเทียบข้ามหน่อยไม่เป็นไรเนาะวันนี้ขอสักวันหนึ่งกระต่ายกับเป่าเต่ามันเดินไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนรถขายองมันวิ่งเร็วไม่ได้กลัวองแตก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 เราต้องผสมระหว่างเตากับกระต่ายสมถาวิปัสนาไปด้วยกันพอเราเข้าไปในจิตแล้วจิตเดิมมันเคยฝึกสมถะมาตั้งนานแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็ให้จิตปัจจุบันเสพอารมณ์สมถานันไม่ต้องไปฝึกใหม่นี่คือมหาสติปัฏฐานโอเคนะก็อีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่าเพิ่งขยับปีใหม่นะ